แดงสู้ไม่ถอยเรื่องของแดงไม่ได้จบลงเพียงแค่นี้แดงยังเป็นแดงอยู่เหมือนเดิมแดงที่สวมแว่นตากรอบเหล็กทรงกลมเล็กๆผมสีดอกลาวไปทั่วหัวแล้วแต่ยังแข็งแรงเดินเหินรวดเร็วยังคงรับใช้แบกภาระเกี่ยวกับงานของสิทธิ์หลงตาโดยไม่ต้องมีใครสั่ง สิ่งใดที่แดงเห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลวงตาแดงจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมบางทีถึงกลับไม่มีโอกาสได้หลับได้นอนอยู่บ่อยๆแดงและเพื่อนๆสิทธิหลวงตาจะเข้ามาช่วยเท่าที่จะทำได้ขาดแคลนสิ่งใดก็วิ่งขึ้นวิ่งลงขอความร่วมมือจากทุกทิศให้คนจำนวนมากๆได้เกาะไปกับเรือบุญลำใหญ่ที่บรรทุกทานบา ร, รมีไว้เต็มลำเรือยังไม่เคยหมดและไม่เคยจบสิ้น แดงไม่ใช่คนที่เอาแต่คอยเฝ้าดูแลหลวงตาอยู่ตลอดเวลาแต่แดงทำงานต่างๆถวายให้องค์หลวงตาอย่างหมดหัวใจทุ่มอย่างไม่หวาดหวั่นต่อความยากลำบากหรือความป่วยไขย้ยอมสละชีวิตได้เพื่อองค์หลวงตาแดงปรารถนาเพียงว่าเกิดมาชาตินี้ได้ทำงานถวายหลวงตาก็คุ้มแสนคุ้มแล้วไม่หวังอะไรอื่นอีกแล้วเราเอาใจเป็นธรรมะอยู่กับท่านทุกคบทุกชาติ แดงเสียดายแทนคนหลายๆคนที่เกิดมาแล้วหาไม่พบพระอรหันต์แม้จะนั่งอยู่ตรงหน้าท่านแดงภูมิใจของแดงคนเดียวว่าแดงพบแล้วพระอรหันต์คุ้มแล้วที่เกิดมาทันในชาตินี้บทกล่นนำและปิดท้ายโดยคุณหลวงเรื่องเล่าทั้งหมดโดยคุณแดงเสียงอ่านโดยโจโฉ แม้ปัญหามากมายต้องย่อปืนปืต่อไปดิ้นรนทุกทาอดท น, นพสิ่งที่หวังทั้งชีวิตทุ่มไปถึงฝันถังไกลแสนไก ล, ลอย่าไปท้อ